หัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดก็ฟ้าที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปวนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึง ที่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจที่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวล น, น, น, น, น้องแก้มน้องนางานั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพ ส, สุธาดวงไทยยรืดดวงแกวตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหน นวนให้ใจน้องยิ้มได้ไหมวนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไป ใจที่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สุตาแค่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม้ ใ, ใจที่จมแท้พั ส, สุธาดวงรุไทยหรือดวงแก้วตากิดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ความทุกชงเลยผ่านวอนให้ใจน้องยินได้ใหม่วอนให้ลมพัดผาหัวใจพี่ พอฟ้าวัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจน้องแทบติดรึง